ข้อคิดก่อนฟังธรรม MP 3แผ่นที่12ที่จะออกในเร็ววันนี้อันเนื่องมาจากแผ่นที่11เป็นการอบรมนักศึกษาแพทย์ปี2550ตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเมษาแผ่นที่11และแผ่นที่12เป็นการอบรมพวกเยาวชนทรัพยากรของชาติคือนักศึกษาแพทย์ปี3มมหิดล เพราะนั้นการอบรมเรียกว่าซีดีสแผ่นนี้จะเน้นหนักไปทางจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของเยาวชนเป็นส่วนมากก็มีการอื่นคละเบ้างอยู่ก็ไม่มากแต่จะเน้นหนักทางการอบรมเยาวชนคนของชาติอย่างที่ว่านะมากกว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ออกมาก็ซีดีสแผ่นนี้จะอบรมเยาวชนเสียประมาณสัก 70% เพราะนั้นการอบรมเยาวชนเยาวชนคนของชาติจึงได้ตั้งชื่อเป็นหัวข้อหรือว่าเป็นข้อคิดใน MP3 แผ่นนี้ว่าวิชาดีจริยเด่นเน้นวินัยตนวิชาดีจริยะเด่นเน้นวินัยต น, ย น, น, น, น, ยตนคือลักษณะเยาวชนคนของชาติต้องเรียนดี และกก็มีกิริยาคือความประพฤติดีด้วยและกก็นเน้นมิไหนคือความประพฤติการเป็นอยู่ร่วมกันเพราะนั้นยุคสมัยนี้อย่างทุกวันนี้ได้ยินบ่อยมากเหลือเกินว่าเยาวาชนคนของชาติรู้สึกว่าสเปะส ป, ปะทำอะไรออกไปรู้สึกว่าเป็นที่ไม่สบายอกไม่สบายใจของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชาติไม่ว่าลูกท่านหลานเธอลูกท่าน หลานคนนั้นลูกคนนี้มีมากมายที่ทําให้พวกเราไม่สบายใจเมื่อได้เห็นไม่ว่าในเมืองหรือชนบทรู้สึกว่าเด็กของเราได้รับการศึกษามาทางไม่ดีบางสิ่งบางอย่างรับได้ง่ายจากสื่อต่างๆที่รวมการพูดอย่างนั้นแต่ตามให้จริงหลวงพ่อเองที่อยู่ในป่าก็ได้ฟังจากหลายคู่คนศรัทธาญาติโยมมาทุกระดับ ที่มาพูดให้ฟังหลวงพ่อเองก็ได้สัมผัสเองอีกต่างหากที่มากเกี่ยวข้องในวัดวาศาสนาก็เป็นลักษณะอย่างที่พวกเราได้พบได้เห็นจริงๆแต่ทีนี้พวกเราจะช่วยกันปรับปรุงแก้ไขเยาวชนของชาติของเราอย่างไรจึงจะให้เป็นทรัพยากรของชาติที่ดีได้อันนี้เราจะไปโยนให้แก่บุคคลใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อเคยพบกับ อาจารย์ท่านหนึ่งมาจากกรุงเทพท่านสอนวิชาในมหาวิทยาลัยอินเตอรนน์นักศึกษาโกอินเตอร์คื อ, อชาติต่างๆที่เป็นอาจารย์ท่านก็จบมาจากออสเตรเลียท่านมาบวชที่นี่คนที่สุดหลวงพ่อเองก็เลยถามว่าเป็นยังไงอาจารย์สอนนักศึกษาท่านบอกโอ้ผมลาออกแลหลวงพ่อเอา้าสอนมากี่ปีสอนมา 2-3 ปีแล้ว 3- 4ปีแล้วเอา้าเงินเดือนไม่พอใช่ไหมไม่ใช่ เงินเดือนนี่พอเงินเดือนดีอีกต่างหากเพราะผมสอนมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนานาชาติแต่เงินเดือนดีแต่ว่าเด็กนักศึกษาเป็นเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายเพราะวิชาของผมเป็นวิชาสถาปัตย์แต่ทีนี้ในเมื่อผมสอนไปผมก็บอกว่าเด็กนักเรียนให้มาเรียนเวลาเท่านั้นนะผมมีเวลาสอนเท่านั้นชั่วโมงนัดกันแล้วทั้งที่บอกกล่าวกันผลที่สุด มาผิดไปล่ําเวลามันไม่ใช่ครั้งเดียวคือสรุปแล้วก็คือเด็กไม่สนใจเรียนเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหญิงว่า ง, งั้นนะท่านพูดเน้นหลวงมาอีกเด็กชายทุกวันนี้เหมือนกับเด็กหญิงสมัยก่อนเด็กหญิงทุกวันนี้เหมือนกับเด็กชายเอสมัยก่อนสรุปแล้วก็คือผู้หญิงอยากจะลําหน้าผู้ชายเด็กทุกวันนี้อาจารย์คนนั้นพูดให้หลวงพ่อฟังนะแต่หลวงพ่อก็เป็นคนฟังแต่นี้ท่านก็บอก ทำไมจึงลาวผมสู้สู้ไม่ได้เพราะว่าผมบอกไปบอกนักศึกษาไปทั้งที่นักศึกษาน่าจะฟังออแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วกลับไปบอกพ่อแม่ของนักศึกษาพ่อแม่นักศึกษาก็โวยวายโทรศัพท์มาด่าผมอีกทีนีน่ผมก็เลยรับไม่หวัดไม่ไหวนะเพราะนั้นผมคงจะอยู่ในวิ ช, ชานี้ไม่ได้หรอกถ้าผมทำํำผมก็ต้องทําให้ดีต้องสอนให้ดี แต่เมื่อผมทำดีไม่ได้ในจุดนี้ผมก็กินเงินไปเป็นวันๆไปผมก็ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นผมต้องลาออกลูกเดียวอ้าวหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าว่าอาจารย์ลาออกทุกคนคิดอย่างที่อาจารย์เยาวชนคนของชาติจะเจริญหรือจะก้าวหน้าได้อย่างไรเพราะว่าอาจารย์ก็จบมาจากเมืองนอกเป็นอาจารย์แล้วมาสอนวิชาต่างคนก็ต่างลาออกอย่างนี้เยาวชนของเราจะเป็นยังไงให้คนอื่นทาไปเถอะทับ ท่านอาจารย์แต่ผมเลยยอมจริงๆผมยอมจริง ๆ, งๆแต่เอาเถอะผมก็ยังจะช่วยอยู่เท่าที่จะช่วยได้เพื่อช่วยเยาวชนช่วยมหาวิทยาลัยหลวงพ่อเลยถามว่าเอา้าถ้าเป็นลักษณะนี้ในความคิดของอาจารย์ล่ะอาจารย์มีความเห็นอย่างไรที่จะปรับปรุงแก้ไขเยาวชนของเราเนี่ยให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทอแท้อ่อนแอแล้วก็ ต่างลบหนีเยาวชนคนของชาติก็ทําให้ความเสียหายแล้วชาติของเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้อาจารย์มีช่องทางไหมที่ว่าที่ว่ามีความเห็นว่าอย่างไงที่จะปรับปรุงเยาวชนให้เป็นคนดีได้อาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าผมมองภาพรวมถ้าหากว่าพ่อแม่อยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางโรงเรียนเป็นผู้แนะนําอย่างเดียวผมว่าไม่เพียงพอไม่พอ พ่อแม่ต้องใส่ใจลูกของตนเองด้วยทั้งครอบครัวทั้งสถาบันครอบครัวก็ให้ใส่ใจลูกของตนเองการเป็นอยู่ของลูกของเราว่าเป็นยังไงในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เด็กของเรากําลังเรียนรู้รับรู้อยากจะรู้เรื่องต่างๆเพราะเด็กกําลังวัยรับรู้เรื่องต่างๆเพราะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสนใจให้ความสนใจแก่ลูกไม่ใช่ว่าไม่สนใจเลยมอบให้ แก่โรงเรียนหรือมอบให้แก่มหาวิทยาลัยแต่อย่างผมที้เข้าไปเรียนเนี่ยสอนอย่างนี้ถ้าเราเอ่ยถึงว่าเอนักเรียนแต่งตัวอย่างงู้นอย่างนี้ควรจะสุภาพอย่างงู้นนี้เขาก็เฮโลขึ้นมาอย่างนี้นแล้วเราจะพูดยังไงมันก็พูดไม่ได้ผมว่าพ่อแม่น่าจะให้ความสนใจกับลูกแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยหรือทุกสถาบันก็ให้ความสนใจผมว่าเด็ก ของเราก็จะเป็นทรัพยากรที่ดีขึ้นมาได้แต่ถ้าว่าต่างคนต่างโยนให้กันพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาโยนให้มหาวิทยาลัยหรือโยนให้โรงเรียนโรงเรียนกว่าจะสอนขึ้นมาอยู่ในห้องเรียนนักเรียนมากกว่าครูครูคนเดียวสอนบอกนักเรียนก็ไม่ให้ความสนใจเขาหาว่าครูคือครูลาสมัยครูไดโนเสาร์เขาก็เฮโลกันขึ้นมาพูดอะไรกบเกินกันขึ้นมาผู้จะว่ายังไง ครูก็ต้องปล่อยปาแรกเลยเฉยเมย อ, อีกต่างหากทีนี้แล้วผลชั่วหรือว่าผลแห่งความไม่ดีนะั่นจะตกถึงใครก็จะตกถึงคนในชาติเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะพ่อแม่น่าจะให้ความสนใจเ ป, นเป็นเรื่องแรกนี่หลวงพ่อก็ได้ยินมาแล้วก็เออใช่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเอง เ, ออเวลาผู้ใหญ่บ้านกำนันออหรือว่าพี่น้องชาวบ้านมามากๆอย่างที่วันสงกรานอย่างนี้ หลวงพ่อไรปารบว่าเออพวกเราทั้งหลายสถาบันครอบครัวเนี่ยจำเป็นและสําคัญนะต้องให้ความอบอุ่นแก่บุตรทิดาของตนเองเราจะไปมอบให้แก่โรงรําโรงเรียนเป็นผู้สอนจะเลยก็คงไม่ได้นะหลวงพ่อว่าวิธีการสอนลูกเนี่ยสอนอยังไงหลวงพ่อจะขอแนะนะจะเอาเอาไปใช้ได้ไหมหลวงพ่อว่าเวลาว่างว่างวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันไหนก็ได้ถ้าพ่อแม่ ลูกสามสี่คนลูกชายลูกหญิงกําลังจะเรียนรู้อย่างที่ว่านะมาทานข้าวด้วยกันก่อนที่จะทานข้าววันนั้นพ่อแม่ก็น่าจะพูดคุยกันซะก่อนว่าเออวันนี้ให้พ่อนะสอนลูกชายนะให้สอนลูกชายหน่อยบอกว่าลูกชายมันเริ่มจะออกไปนอกรูนอกทางคบหมู่คบเพื่อนแล้วเริ่มจะมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นแล้วทําให้ไม่สบายใจแล้วให้พ่อสอนนะ คือพ่อกับแม่ก็จะต้องตกลงกันก่อนไม่ใช่ว่าพ่อสอนลูกแม่กับ ๆ, ๆๆขึ้นมาเวลาแม่สอนลูกพ่อก็บอบๆๆขึ้นมาอีกอแล้วจะในลูกจะเป็นคนดีได้อย่างไรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ต้องพูดคุยกันซะก่อนก่อนที่จะสอนลูกจากนั้นพ่อก็พูดคุยกันแล้วก็นั่งทานอาหารด้วยกันพ่อก็ต้องบอกเออลูกลูกชาย วันนี้พ่อได้รับสือ่อตรงนั้นตรงนี้ข่าวตรงนั้นตรงนี้เรื่องตรงนั้นตรงนี้พ่อไม่สบายใจเพราะว่าลูกทำตนไม่ดีไปฆ่าไปตีทั้งที่ตัวเองเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาทั้งที่จะตั้ง อ, อกตั้งใจเรียนพอไปทำอย่า ง, งานั้นเข้ามาแล้วโอ้ถ้าเป็นลูกของพ่อนะพ่อไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเหมือนกันนะถ้าลูกถูกจับนะเงินเดือนพ่อขนาดนี้พ่อจะไปประกงประกัน แล้วครอบครัวของเราจะกินอะไรน้องนุ่งทั้งหลายที่ได้รับจะรับการศึกษาต่อไปภายภาคหน้าและจะทำยังไงถ้าว่าไม่ไปถ่ายไปถอนลูกก็อยู่ในห้องขังไม่รู้จะทำยังไงเพราะนั้นลูกจะทำอะไรลงไปให้ลูกคิดให้ดีก่อนนะลูกนะลูกให้คิดให้ดีก่อนอก่อนทำอะไรลงไปจะเสียหายกับวงสกุลของเรานะเสียหน้าพ่อแม่เนอะลูกนะคิดให้ดีนะ ก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะลูกนะทั้งแม่ก็อบองเออใช่ที่พ่อพูดนั้นถูกแล้วถ้าว่าลูกทําอะไรไม่ดีเนี่ยเสียขายหน้าพ่อแม่นะลูกนะก่อนที่จะทําอะไรก็ทําแต่เรื่องค่าใช้จงใช้ใจเงินคาอะไรก็มีอะไรก็บอกพ่อบอกแม่น่ะถึงจะทุกข์จนยังไงกับพ่อแม่ก็ท่มให้สดๆ ด, ดอันนี้ก็คือวิธีการสอนแต่อย่าไปพูดพั่าเพื่อเรื่อรังในการสอนลูกเพราะเด็กกําลังรับกําลังวัยเรียนทับสอนลํารีลําไร พอพูดพ่อเอ่ยขึ้นมานั่นแหละเขาก็ลุกหนีแล้วพอแม่เอ่ยขึ้นมาเขาก็ลุกหนีแหละพอมันพูดจนรู้จักว่าพ่อจะพูดอะไรพ่ออาปาขึ้นมาพ่อจะพูดอะไรเนี่ยเขาหนีแล้วออวันนี้แม่จะพูดอะไรพ่ออาปาของเขาหนีแล้วพ่ออะไรพอพูดลํารีลําไรเกินไปอันนี้พูดไม่ใช่พูดให้รู้จักจังหวะในการพูดนานๆพูดทีหนึ่งพูดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแหะมันฝังลึกในจิตใจของเขาแล้วนะแล้วก็แม่ก็เหมือนกัน แม่เออวันนี้ให้แม่สอนลูกสาวลูกสาวนะออพ่อกับแม่คุยกันก่อนจากนั้นแม่ก็เออลูกออลูกแม่เนอก่อนที่จะทําอะไรพ่ อ, อ, อมีหน้ามีตาในชุมชนสังคมนะทางว่าลูกสาวไปทำอะไรไม่ดีอย่างที่สื่อต่างๆที่แม่ได้ไปอ่านไปพบไปเจอแม่ไม่สบายใจเลยเพราะฉะนั้นแม่ก็ได้บอกกล่าวลูกอย่าให้ทําอย่างนั้นนะขายหน้า แม่ขายหน้าพ่อนะขายหน้าวงสกุลนะลูกนะถ้าลูกทําอย่างนั้นขึ้นมาเพราะนั้นลูกจะทําอะไรต้องคิดให้ดีซะก่อนอแล้วจะไปคบหมู่คบเพื่อนต้อ ง, ะงระวังเพราะทุกวันนี้พิษภัยมันมีมากเหลือเกินที่เราคาดคิดไม่ถึงเพราะนั้นต้องระวียงระวังนะให้มาบ้านมาเรือนตามไปล่ําเวลานะลูกนะอย่าไปเที่ยวอย่าไปเตะคบหมู่คบเพื่อนจนเสียหายไม่ได้นะ ถ้าเกิดเรื่องราวขึ้นมาโอ้พ่อแม่ไม่รู้จะทำยังไงเสียหายนะลูกนะอันนี้ก็คือการวิธีการสอนเยาวาชนคนของชาติถ้าว่าลุงพ่อว่าถ้าวิธีการสอนอย่างนี้คือพ่อแม่ในครอบครัวก็สอนเข้ามาโรงเรียนโรงเรียนก็สอนเข้ามาวัดวาศาสานาวัดวาศาสานาก็จะสอนต่างคนต่างแนะนำไปในทางที่ดีลุงพ่อว่า เยาวาชนคนของชาติก็จะเป็นคนดีแน่นอนไม่ต้องสงสัยเป็นอย่างอื่นถ้าว่าพวกเราไม่โยนไปโยนมานะวิชาคือความรู้ความรู้ดีเด่นประเทศไทยของเราก็ได้รับเหรียญทองจากต่างประเทศมาเด็กไทยไม่ใช่เด็กไดยด้อยเมื่อไหร่หัวดีจริยะเนี่ที่หลวงพ่อพูดน่คือจริยธรรมยังอ่อนอยู่เพราะว่า เราต้องเอาเข้าตรงนี้เข้าไปคือคิจริยธรรมก็คือความประพฤติไม่ใช่ว่ายกพวกตีกันฆ่ากันแทงกันมีเรื่องราวเนี่ยขาดจริยธรรมแล้วก็วินยัยหรือวินัยตนก็คือไปตามกฎเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์แนะนัดให้มาศึกษานะ่ลักษณะเยาวชนคนของชาติถ้าเป็นได้อย่างนี้หลวงพ่อว่านั่นะความเจริญรุ่งเรืองก็จะค่อยไปเรื่อยๆเพราะคนในชาติ ทรัพยากรอันล้ำค่าที่สุดก็คือคนในชาติถ้าคนในชาติไม่เป็นที่ยอมรับแล้วสมปัิอย่างอื่นถึงจะสร้างรูหลาโออาสร้างตึกลานบ้านช่องด้วนแล้วแต่เลืองอลามไปด้วยเงินด้วยทองอีกสักวันหนึ่งเยาวชนคนของชาติหรือคนในชาติมีแต่ขี้เหล้าเมายามีแต่การผ น, นันมีแต่คนชั่วมันก็คงจะเอาเลื่อยมาเลื่อย ตึกลานบ้านช่องเหล่านั้นไปขายให้ต่างประเทศทีละนิดทีละหน่อยผลที่สุดเกินนั่นแหละมีแต่กระต๊อบได้ขุดรูอยู่ว่างั้นแต่เพราะเหตุไรเพราะคนในชาติเยาวชนคนของชาติไม่มีคุณภาพท่านเด็กเยาวชนคนของชาติมีคุณภาพแล้วนั่นละ่ะสิ่งอื่นมันหลั่งไหลเข้ามาเกื้อกูลหนุนกันคุณธรรมคุณธรรมมีอยู่ในจิตใจของคนในชาติแล้วคนในชาติมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อว่านนะวันนี้หลวงพ่อได้ พูดเกี่ยวกับเยาวชนคนของชาติที่หลวงพ่ออบรมซีดีแผ่นเน้นหนักเป็นทางเยาวชนเายาวชนคนของชาตาิโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาแพทย์มหิดลที่มารับการาฝึกฝนทางจิตตภาวนาเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะขอร้องอทุกหน่วยทุกเราให้ฝึกศีลธรรมจริยธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้ ทำจิตให้สงบแล้วก็ให้ใช้ปัญญาถ้าคนมีจิตสงบจิตใจไม่วุ่นวายจากนั้นก็ใช้ปัญญาไตรตรองเหตุและผลคงจะประสบความสำเร็จสมความมุ่ง ม, มาตนปรารถนานะวันนี้ได้พูดปารบถึงเอ3แผนที่12ก็เห็นว่าพอสมควรด้วยอำนาจคุณพระีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองประเทศชาติพวกเราท่านทั้งหลาย ขอให้มีความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาดปราถนาทุกประการ